ตอนที่24ทําการใหญ่หวังเกว่าฮาไม่คาดคิดว่าซูมานอินจะพูดออกมาตรงๆเช่นนี้น้องสะพายเจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรไว้กัวออกแรงไปตั้งมากขนาดจิวหลิงยังได้ส่วนแบ่งตั้งสิบหยวนแล้วทํำไมเขาถึงจะไม่ได้แม้แต่ห้าหยวนเล่าน้องสะพายไว้กัวก็แค่ช่วยเฝ้าเตาทําเจียหมัวไปเพียงไม่กี่ชิ้นแถมยังทํามันฝรั่งเส้นหกละเธอไปตั้งเยอะซูมานอินตอบกลับด้วยรอยยิ้มอย่างไม่รีบร้อนข้ารู้ว่าไว้กัวเพิ่งทําเป็นครั้งแรกจึงเห็นใจเขามาก ดังนั้นจะไม่ได้ให้เขาชดใช้ค่าเสียหายอะไรนะนี่ยังคิดจะให้เว่กัวชดใช้เงินอีกรึหวังเกวเฮาถกแขนเสื้อขึ้นสองมือเท้าสะเอวซูมานอินเจ้าอยากให้มันเกินไปนักเว่กัวคืออนาคตของตระกูลโจเชียนเจ้าทําเช่นนี้คู่ควรกับพี่เตอ๋อชางที่ล่วงรับไปแล้วหรือซูมานอินถึงกับพูดไม่ออกกับตันกะนี้ชินเสี่ยวเย่เว่เองก็รู้สึกว่าตันกะของหวังเกวเฮานั้นช่างไร้สาระสิ้นดี อาสภายไว้ยกัวของบ้านท่านเป็นถึงนักเรียนดีเด่นที่พวกเราทําเช่นนี้ก็เพราะไม่อยากให้เขาต้องมาแปดเปื้อนกลิ่นคาวเงินถือว่าทําเพื่อหวังดีต่อเขาแท้ๆข้าไม่สนอย่างไรเสียวันนี้พวกเจ้าต้องให้เงินข้าห้าหยวนหวังกว่ยฮาเลิกเสแส้งแล้วนางเอ๋ยป่าขอเงินออกมาตรงๆซูมานอินก็ไม่ยอมตามใจนางน้องสภายหากเจ้าขัดสนเงินทองจริงๆข้าสามารถให้เจ้าหยิบยืมได้แต่เพื่อเห็นแก่ข้านิยมที่ถูกต้องของไว้กัวเงินก้อนนี้ข้าให้ไม่ได้จริงๆสูมานอิน หวังเกว่าหาแผลเสียงตะโกนพางขลาเข้าไปหาแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มอันสงบนิ่งของซูมานอินและนึกถึงเล่เหลี่ยมที่ซูมานอินเคยใช้ก่อนหน้านี้นางก็เกิดความผาดกลัวขึ้นมาทันทีในตอนนั้นเองโจเตอสุนก็วิ่งตามมาถึงเกว่าหาทำอะไรของเจ้านะ่ะพูดจะดีๆกับพี่สภัายหน่อยโจเตอสุนกล้าเข้ามาดึงตัวภรรยาไว้ก่อนจะปั้นหน้ายิ้มเอ่ยขอโทษซูมานอิน ที่สะพายเกยหานางก็แค่เป็นห่วงไว้กัวน่พอไว้กัวกลับถึงบ้านเขาก็บอกว่าเหนื่อยจนมือที่ถือปาด ก, กาสันไปหมดเกวหาเห็นใจลูกชายท่านก็น่าจะเข้าใจนางบ้างซูมานอินดิค้ำในใจสามีภรรยาคู่นี้ช่างรับส่งบทกันได้ยอดเยี่ยมจริงๆคนหนึ่งสวมบทโหดอีกคนสวมบทดีปีนี้ไว้กลัวอายุ17แล้วใช่หรือไม่ฉินเสี่ยวเย่พร่องถามขึ้นมาทันควันทําให้โจเตอสุ่นและภรรยาถึงกับชะงักไป อาเคยค่าเคยได้ยินพ่อสามีบอกว่าตอนที่ท่านอายุ17ท่านสามารถแบกอีกได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วแต่ไว้กัวแค่ใช้มีดผ่าเจีย๋ยวหมูไม่กี่ชิ้นมือก็ถือปากกาไม่ไหวแล้วหรืออาเคยหรือว่าท่านควรพาไว้กัวไปตรวจที่โรงพยาบาลดูหน่อยดีไหมค่าพูดจริงๆนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรอกหรือซูมานอินคิดในใจว่าเพื่อนรักของนางคนนี้ฝีปากร้ายกาจจริงๆโจเติลสุดหน้าค้ําลงแต่ยังคงฝืนยิ้มออกมาสีหน้าดูเย่แย่ราวกับคนท้องผูก เสี่ยวเยว่เจ้าพูดอะไรเช่นนั้นไว้กลัวแข็งแรงดีจะมีโรคได้อย่างไรเขาแค่เหนื่อยจริงๆเท่านั้นฉินเสี่ยวเยว่เสียแรงที่ข่าอุตสาช่วยเจ้าไปขอเงินจากบ้านเดิมของเจ้าเจ้ายังจะมาแช่งหลานชายตัวเองอีกหรือเมื่อเห็นว่าสองสามีภรรยาเริ่มเปิดฉากโจมตีนางและมีเพื่อนบ้านเริ่มชงโงกหน้าออกมาดูฉินเสี่ยวยาวก็เริ่มสูดน้ำมูกคำท่าทางเศร้าสรน้าสงสารทันที อาเคยอาสไยค่าเป็นห่วงเว่ยกลัวจัดใจจริงนะเจ้าค้าในเมื่อพวกท่านดังเกียรติว่าพวกเราให้เงินน้อยไปเช่นนั้นเช่นนั้นเอาส่วนของข้าทั้งหมดให้เขาไปเลยก็ได้เจ้าค่ะเท่านี้คงพอใจแล้วใช่ไหมฮือฮือชินเสี่ยวเยวบหน้าลงบนอกของซูมานอินซูมานอินกอดนางไว้พลางตกหลังปอบโยนเบาๆน้องรองน้องสไยค่ากับเสี่ยวเยเวเป็นเพียงหญิงไม่สองคนที่ทำมาหากินเล็กๆน้อยๆอยเพื่อหาทางรอดเท่านั้นไม่ต้องการนักเรียนดีเด่นอย่างเว่ยกลัวหรอกและพวกเราก็เลี้ยงเขาไม่ไหวด้วย แม่จะทำไมชีวิตของพวกเรามันถึงได้ลำบากเช่นนี้ฉินเสี่ยวเยเว่เริ่มครั่งครวญด้วยน้ำเสียงประหลาดอีกครั้งทำไมแค่หาเงินเลี้ยงปากท้องนิดๆหน่อยๆก็ยังมีคนมาคอยจ้องจะเอาเปรียกกันอีกหวังเกว้ยฮายยังคิดจะเถียงต่อแต่ทว่าวรอบข้างเริ่มมีเสียงตักเตือนจากเพื่อนบ้านผู้หวังดีดังขึ้นมาเสียก่อนเต๋อสุ่นเอ๋ยเสี่ยวซูเขาก็ลำบากนะสามีก็เพิ่งจะเสียไปพวกเจ้าไม่ควรมาคิดเอาเปรียบเขาในเวลาเช่นนี้นั่นสิพวกนางไม่ได้เหมือนพวกเจ้าสองคนที่มีรายได้มั่นคงนะ เข้าใจผิดกันทั้งนั้นเข้าใจผิดโจเตอสุนเห็นถ้าไม่ดีรีบดึงตัวภรรยาเตรียมเพ่นหนีทันทีที่สะพายทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดวันหน้าเรื่องนี้พวกเราอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยนะตกลงไหมหวังเกว่าไม่ได้โง่เมื่อเห็นสถานการณ์เปลี่ยนไปนางก็รีบเปลี่ยนท่าทีให้อ่อนลงเสี่ยวเยเว่เจ้าอย่าร้องให้เลยนะสัพ้ายแค่วัดมาถามดูเฉยๆไม่มีอะไรหรอกจังงั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนนะ สองสามีภรรยารีบถอยทับกลับไปอย่างลนหลานฉินเสี่ยวเยเว่ยังคงซบไหล่ซูมา่านอินร้องให้เสอือกสะอื่นต่อไปถ้าคนเดินไปไกลแล้วบอกข้าด้วยในะน้ำตาข้ามันมีค่าเกินไปจะมาเสียทิ้งเปล่าๆมากเกินไปไม่ได้เมื่อหวังเก้ฮากลับถึงบ้านยิ่งคิด ก, ก็ยิ่งแขนเงินก็ไม่ได้แถมยังต้องมาเสียหน้าอีกไม่ได้การเราต้องหาทางทําให้พวกนางคายเงินออกมาให้ได้โจเตอสุ่นสายหัวที่สะพายคนนี้ฉลาดเป็นกรดพวกเราหาทางอื่นเถอะ โจ้ไอ้กลัวเมื่อเห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้อะไรติดมือกลับมาเลยสีหน้าก็ยิ่งดูแย่ลงเขาเดินหนีเข้าห้องไปโดยไม่ยอมออกมาอีกเลยวันนี้ช่างซวยจริงๆที่ปล่อยให้ซุนเสี่ยวเสี่ยวเห็นสภาพอันหน้าอับอายตอนเขาตั้งแผงลอยแถมยังถูกแม่ม่สองคนดูหมิ่นอีกเขาจะต้องตั้งใจเรียนให้หนักรอจนกว่าจะสอบติดมหาวิทยาลัยมีงานทําดีๆแล้วค่อยรอให้พวกนางมาอ้อนวอนขอความเมตตาจากเขาเถอะเช้าวันรุ่งขึ้นสู่มา่านอินและฉินเสี่ยวเยเว่เตรียมตัวพร้อมสับก่อนจะขี่จักรยานมายังซอยเล็กๆด้านหลังกงเซียวเซ ทั้งสองจูงจักรยานเข้าไปในซอยโดยตรงอย่างแรกคือการจอดรถไว้ข้างนอกไม่ปลอดภัยอย่างที่สองคือการขนของใช้จักรยานจะสะดวกกว่าเมื่อเดินเข้าไปได้ไม่กี่สิบกก็พบกับชายหนุ่มท่าทางมีพิรุษหลายคนพวกเจ้าสองคนมาซื้อของหรือซูมานอินขานรับว่าใช่ก่อนจะถามต่อที่นี่พวกจะมีอะไรขายบ้างเจ้าอยากซื้ออะไรละ่ะเนื้อหมูขอเป็นหมูสามชั้นสดสด ซูมานอินเน้นคำว่าสดเป็นพิเศษชายหนุ่มคนนั้นขมวดคิ้วทันทีเนื้อหมูนี่หาไม่ง่ายเลยนะเพราะงั้นราคา ย, ย่อมแพงกว่าข้างนอกมากแพงกว่ามากนี่คือเท่าไหร่ซูมานอินถามเสียงต่ําแบบมีคูปองหนึ่งหยวนแปดเมาสแบบไม่มีคูปองอย่างต่ําก็สองหยวนชินเสียวเย่เว่ที่อยู่ด้านข้างพยายามคํานวณในใจอย่างรวดเร็วเนื้อหนึ่งจีนทําโรลเจียมหมูได้ประมาณสิบกว่าชิ้นพวกนางขายชิ้นละสองเมาสหากรวมต้นทุนค่าแป้งเข้าไปด้วยแบบนี้ก็ขาดทุนเยอะ ย, ยับน่สิ น้าสาวเพื่อนสนิทแม่ราคาแบบนี้มันแพงไปหน่อยนะฉินเสี่ยวเย่เว่เตือนเสียงเบาการค้าที่ขาดทุนแบบนี้พวกเราทําไม่ได้นะแต่ซูมานอินไม่อยากมาเสียเที่ยวข้าขอดูเนื้อก่อนได้ไหมชายหนุ่มขมวดคิ้วก็ได้ตามข้ามาชายหนุ่มนําทางซูมานอินและชินเสี่ยวยาวลึกเข้าไปข้าในพอเลี้ยวโค้งหนึ่งก็เห็นประตูไม้บานหนึ่งอยู่บนกําแพงเขาเดินเข้าไปขคาะประตูเป็นจังหวะอยู่ครู่หนึ่งไม่นานนักประตูไม้ก็เปิดออกเสียงดังเอียด เก่งซานมีงานใหญ่มาอีกแล้วหรือเก่งซานยกยิ้มมุมปากใช่แล้วคราวนี้เป็นพวกกระเป๋าหนักเสียด้วยซูมานอินสังเกตเห็นว่าน้ำเสียงที่เก่งซานคุยกับคนข้างในนั้นดูไม่ประสงค์ดีนางจึงสกิดเตือนชินเสียวเย่าให้กลับหัวรถจักรยานเตรียมไว้น้าสาวเพื่อแม่ดูเหมือนจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วนะฉินเสียวเยเวที่กลับหัวรถเสร็จแล้วเรียกเพื่อนสนิทเสียงเบาพวกเราถ้าจะแย่แล้ว ซูมานินเห็นชายชะกันหน้าตาเฮี้ยมเกรียมหลายคนเดินออกมาจากประตูไม้ก็รู้ทันทีว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีเมื่อได้ยินเสียงของชินเสียวย่าวนางก็หันกลับไปมองและพบว่าทางข้างหลังก็ถูกชายหนุ่มไม่ชุดเสื้อกล้ามสีดำสองคนปิดทางไว้เช่นกันพวกเจ้าคิดจะทำอะไรซูชิงอวี่ถามด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งคิดจะปล้นหรือจะฆ่าคนชิงทรัพย์กันแน่ฆ่าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิตพวกข้าไม่ได้โหดเทียมขนาดนั้นเกิร์งซานยิ้มอย่างชั่วร้ายทิ้งเงินค่าเนื้อไว้แล้วข้าจะปล่อยพวกเจ้าไป พวกเจ้าไม่กลัวว่าพวกเราจะแจ้งตำรวจหรือสูมานอินถามด้วยความสงสยัยพวกโจรดักล่อนพากันหัวเราะร่าออกมาทันทีขอร้องละพวกเจ้ามาซื้อของในตลาดมืดเองก็ถือว่าทำผิดกฎหมายอยู่แล้วยังกลา้าคิดจะแจ้งตำรวจอีกรึซูมานอินยิ้มอย่างราบเรียบและทักคาบอกว่าข้ามาเพื่อกำจัดภัยสังคมแหละเก่งซานชะงักไปเจ้าหมายความว่ายังไงฉินเสี่ยวเยเว่เองก็อึ้งไปเช่นกันน้าสาวเพื่อนแม่นี่นากำลังเล่นนิ้วฉากไหนอยู่เนี่ย สูมานอิงยิ้มบางๆชู้จะลองฟังดูสิ